เป็นโอกาสแห่งการรับัลือกตั้งใหม่องราศีที่สี สติในการอยู่ในองค์ภาวนาอย่างนี้เราพืน้นจิตพื้นกายของเราเวลาพื้นจิตพื้นกายพื้นความรู้สึกมันมีความขัดแย้งในร่างกายและจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวปกติเราก็อยู่กับ นิเลศก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ของเรานั้นแปรวนทางสภาพ ท, ที่ตามองเห็นหูได้ยินปากได้ริบลูกกายได้สัมผัสถูกต้องแต่ในขณะนี้เราได้ฝึกฝืนในวัตถสัตงสติ จะมีความรู้สึกมาฝึกมาฝึนเหมือนเราเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็จะพยายามฝึกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยในปฏิบัติตามเราเราถึงจะพึงพอใจและพัฒนาในสัตว์เรียงนั้นว่าฉลาดมากและก็น่ารักด้วย ที่เรามัวตะลักคนอื่นมัวตะึกกับอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่วัวตะบึกลูกของตัวเองจุดสามีสอนคนนั้นสอนคนนี้เช่นอาชีพของคนเป็นครูอาจารย์ทั้งหลายในลำเรียนหลักการวิชาการ หลักสูตรทั้งหลายที่สอนต่อๆกันมาระการเรียนการรู้เนี่ยการรู้ที่เราเรียนอยู่เนี่ยจดจำมาทุกวี่ทุกวันขอกกระเป๋ามันทุกวันเนี่ยมันไม่รู้เท่าการที่เรารู้ตัวเราเองและือการใช้ชีวิตนั่นเอง พระพุทธเจ้าใช้หลักธรรมธรรมก็คือธรรมชาติเอามาสอนเรามาบอกเราว่าเราควรจะจดจำความรู้สึกก็คือสตินันเองจดจำตัวเองว่าเราเกิดมาเนี่ยในขณะที่เราเกิดเนี่ยระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยก็ เ, เสกกลางกัน แต่ใบ่พ่อเขาขี่แม่เราสมมติมนคนที่มีภรรยาสามีเนี่ยจะขี่ในตนหัวหง อ, อกวานหนักตาบอดหวหอกอยู่อย่างนั้นหลยดีก็จนแก่คนเฒ่าจนไม่มีกําลังจะขี่แต่ว่าใจมันเนี่ยจะยังปุกปันเอาวนเรวรัดราดึงซึ่งกันและ ก, ก, กันก็คือการ ปกติยึดติดกันนั่นเองต้นเหตุแห่งความเจ็บหายนี่มันเกิดขึ้นคือการเบี่ยง歪กายเกิดนั่นเองการเบียง歪กายเกิดเนี่ยมันเปลียนตัเหมือนสติของเรานั่นเองเมื่อสติเนี่มันเข้าไปเวี่ยง ม, มามันเป็นธาตุของหูของตาการเรียกวัว น, นิ้วหงายทางห้างนั่นเอง มนษเนี่ยจะเกิดความพุ้งสร้างเกิดความลังเหนง่ายเกิดความนึกคิดปุงแต่งพระพุทธเจ้าต้งบอกว่ามนุษย์เนี่ยมโนมโนใช้คําว่ามโนทัั้มโนก็คือการคิดปุงแต่งผุ้งสร้างนั่นเองการยึดติดผูกติดต่อสภาวะที่ไม่เป็นความจริง ก็คือตัวเรานี่แหละไม่ค่อยอมลักความจริงว่าเหตุเนี่มันเกิดจากหรือสาเหตุเนี่มันเกิดจากอะไรเพราะเรามีมานัทิฏฐิหรือตัวถือตนจะเอาชนะเราจะเอาชนะกิเลสเนี่ยก็ต้องชนะตัวเองเหมือนในขณะ น, นี้พยายามกำหน ด, ดโรู้ยิ้มให้กับตัวเองไว ตอนนี้เราต้องรักตัวเองละอย่าเบื่อตัวเองอย่าอิจฉาตัวเองมีแต่อิจฉาคนอื่นแล่ในขณะนี้เนี่ยถ้าเรายิ้มเข้าไว้ยิ้มไว้ในใจื่อเรายิ้มในใจเนี่ยยหตที่แข็งกระด้างที่เราไม่เคยรู้ใจไม่เคยเข้าใจตัวเอง จะรู้สึกว่าอึดอัดก็บอกแล้วไงว่าเราม่าฝึนตัวเองก็าึกตัวเองเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งว่าก่อนในเราเป็นสัตว์มนุษย์จิตมันตกอยู่ในอวายวะภูมิภูมิของเตะอสุรก า, ายสัตว์เดราาัจฉานที่เขานิยมจงชอบเป็นลัทธิเป็นกรอบเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมกันเลย ว, ว่าพ่อแม่จะต้องสอนลูกว่าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นคนดีจะต้องเป็นเด็กฉลาดแลต้องเรียนใ ห, ให้ได้ที่หนึ่งปลูกฝังขึ้นมาว่าเติบโตแล้วพ่อแม่ก็จะได้หาหัวหาเมื่อให้ไม่รู้เลยว่าเราก็ปกครองปกครับ หน้าของกิเลสของกรรมลาคะการหาลาคะทั้งหลายเนี่ยมันครอบงาจิตใจตั้งแต่ปู่ญาตาทั่วทั้งหลายมันมองไม่เห็นความตายแต่ความดีไปมันมองเห็นกิเลสเนี่ยเป็นที่น้ายินดีและนับถือคนที่เห็นกิเลสเนี่ยหน้ายินดีและนับถือในหน้าจะดำ น่าจะดำแล้วก็หูเนี่ยก็จะห้อยด้วยเส้นประดับตัวนี้จะเอาอะไรเป็นเด็กๆซ็กนๆห น, นึตาเนี่จะพยายามเอาสีมาโปกมาป้ายเหมือนสัตว์ต่างๆตาก็เช่นเดียวกันปาก็เอาสีนั้นสีนี้มือเท้าเนี่ยก็จะต้องทาสีนั้นสีนี้ ทำเหมือนเที้ยตะกายสึ่อทำเหมือนกับเสือที่มันซ่อนเล็กเอาไว้เล็กเอาไว้หนวดเอาไว้เขาเอาไว้ทรงผมสีนั้นสีนี้ทรงนั้นทงนี้พ <c oughs> ระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นจองอัจฉริยะเป็นอริยบุคคลที่ประเสริฐแล้วบริสุทธิท์ดีนะนั่นก็เลยให้กรุง เส้นบวมีเลยมันมากที่สุดก็คือผมเรามีแหละขับผมขับผมผมเนี่ยมันอยู่บนศรีรษะศรีรษะก็คือการคิดแล้วก็จดจำสมองคนเรามีสองอย่างด้านซ้ายด้านขวางานเมื่อคิดเนี่ยมันเป็นกระแส ในตัวเราเมากที่สุดก็คือเส้นผมเราเส้นผมเนี่ยมันก็มีลากลากผมเป็นลงพุนไปหมดหัวเราเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงมีความคิดหลากหลายใ้ความคิดนี่มันก็เกิดจากทางตานี่แหละ ดื่อตามองเห็นหูได้ยินเนี่ยมันก็ส่งไปที่สมองไอ้สมองมันก็ส่งไปก็ไปในจิตได้สำนึกของเราไอ้จิตได้สำนึกเราเนียมันก็นึกปรงแต่งไปเพราะเราเป็นเหมือนคนบ้าเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งใน่าสัตว์มนุษย์ที่ยินดีก้อนหิน ก็คือทองเลยทองนี่มันก็เปิดเปิดแล่ธาตุที่ัญหายากเนระ้เอาแล่ธาตุไปปุกมาเอากระดาษเอาอะไะทิ่ปงแต่งขึ้นมาเป็นกระดาษเป็นเงินเป็นทองสมมุติว่าเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเป็นเพชร น, นิจินดาเพรามันก็มาจากแล่ธาต นักปฏิบัติทั้งหลายลองเล่เข้าไปเราเป็นมนุษย์มีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยมีชีวิตยอยู่ได้เนี่ยวันสำคัญก็คืออาหารเมื่อเรามีอาหารเนี่ยเรามนุษย์จะถูกพัฒนาที่อยู่อาศัยพัฒนาเสื้อผ้าอาผรนอนหมอนมุ พัฒนาการเป็นอยู่การกินเนี่ยก็มียารักษาโรคป้องกันโรคเรียกว่าสุขลนะักษณะมีพันธุยการหมุนต้มการทำความสหอาดร่างการรั้วจะเป็นงานวิวัฒนาการจากวิทยศาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยก็คือธรรมชาตินั่นเอง มนุกเนี่ยไม่ได้เรียนรู้มาจากตัวเองมันนี้ยงมนุกในเรียนรู้มาจากสัตว์อย่างเช่นเขาสร้างเครื่องบินเนี่ยหรือใช้อาวุธที่รุนแรงในอเมริกาเนี่ยเานกเหยี่ยวมาเอามาเลี้ยงแล้วก็ด้วยสัญชาตญาณและความเป็นนกเหยี่อเป็นนักล่าเนี่ย ในจังหวะที่มันโฉบเฉี่ยวเนี่ยมันทิ้งน้ำหนักความเร็วไว้เนี่ยพยุคเยื่อยเนี่ยมันไม่ได้มีความแรงอยู่ที่ปลายเน็กมันเป็นการทิ้งน้ำหนักลงมาแล้วก็เล็ดเดืกระแทงเข้าไปในเนื้อหนังสัตนด้วยแรงกัะแพกในขณะที่มันกระแทกลงมาเนี่ย ในจำนกเนี่ยทำไมมันไม่เป็นไรก็คือโครงสร้างเรงศึกษาโครงสร้างของนกนกเยี่ยวนกอินทรียเนี่ยในขณะที่มันล่อมันทิ้งตัวทิ้งนัำหนักองมาเนี่ยมันจะกลางเล็กออกมาแ ล, มกลแล้วก็เกรงล้วถัดแท้เข้าไปในเนื้อหนังจะวเหมือนเราเนียเย็นอยู่เฉยๆเนี่ย มีก้อนหินมากะแทกหรือมีรถมาชนเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยแรงกระแทกอันนั้นเนี่ยจะทําให้กระดูกหรือบางส่วนของเราเนี่ยแข็งไม่พอเนยกระดูกแตกแล้วก็หนังจีบเนื้อจี่เบแล้วคนเจ้าเกี่ยวเนี่ยอเมริกาก็ใช้ความเร็วของการ ทิ้งตัวน้องทวนและแรงกระแทกเนี่ยเอามาสร้างอาวุธเอามาสร้างอุปกรณ์ต่างๆสำหรับคนที่คิดได้นึกได้แต่เราเนี่ยพระพุทธเจ้าสร้างสติเรียกสติของความเป็นมนุษย์เนี่ยว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเราเอง เราเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติก็เกิดจากสัตว์จากการใช้ชีวิตของเรานั่นเองฉินิ้นานการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะไปเรียนรู้จากคนอื่นคือมองเห็นนั่นเองแล้วหูได้ยินที่เขาพูดกันว่าไปทำให้นั่นไปทำให้นี่แล้วมันจะร่ำรวยมีความสุข เราถามความรู้สึกของตัวเองว่ารวยที่สุดเนี่ยเราจะรวยไปทำไมเดลองดูตึวงความทนาสุขที่สุดเนี่ยอะไรเนี่ยมันทำให้เราไม่มีความสุขที่สุดเคยสัมผัสมัม้ไหรอยังแต่องค์สมมาสัมพระอาจารย์ท่า น, น, นากล่าวไว้ว่าสุขเรื่อง ม, มันยึดไม่ได้ เมือนในขณะนี้เนี่ยเราต้องตั้งสติมีความรู้ตัวว่าเราจะไม่ยึดอารมณ์อะไรเนี่ยในความคิดของเราในขณนะนี้เป็นความอยากได้บ่านไ ด, ด้รถได้เือแก้วแหวนเงินทองลูกผัวสามีความรักความยินดีต่างๆในขณะนีเน้เราไม่ผัดผ่า ทำจิตใจของเราเนี่ยให้ว่างเปล่านี้เขา้ามมองเห็นใจตัวเองว่าโอ้เนาะเองไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่ความคิดปรงแต่งคิดไปกาบีบหัวใจเหมือนกับกล้ามเมื้อหัวใจเนี่ยม็ททำงานเต้งมาตั้งแต่เกิดเป็นตุก ที่เรามีชีวิตอยู่ไอ้หัวใจนี้ก็มีหน้าที่สูบหี่โลหิตเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็เหมือนปั๊มมาทำงานตลอดเวลาเครื่องเนี่ยมันยังไม่ไหวเลยคุณโยมมันยังพังเลยฮนะเรืองเรื่องนี่ยมันก็ต้องสบใด้ยินนอเสียองฟื้น มันก็ต้องกินน้ำมันมีการเผาผลาญก็เหมือนเราเหมือนกันเราก็ต้องทานอาหารแต่เครื่องเนี่ยมันก็ทานอาหารมาจากอะไรสร้างพืชสร้างสัตว์ที่มันทับถมกันเป็นตะกรนหมกันมาหลายน้อยล้านล้านปีที่ก็สุกนัำมันเดืดขึ้นมาในบรรดาเหมือนน้ำมันกิโลเนี่ย ขึ้มาเอามากลั่นบางส่วนก็เอาไปเป็นพัสดกเป็นเม็ดพัสดุบางส่วนที่มันแยกมากก็เอามาลาดยางทำถนมบางส่วนก็กลั่นเอาที่บริสุทธ์ใสออกมาเข้ามาเป็นน้ำมันน้ำมันก็มีหลายเกียดเกล็ดอีซก็ว่ากกันไป ก็เหมือนกันแกะสก็เช่นเดียวกันกระทั่โถงมาจากสร้างคือสรา้างการที่มันลงทับตายกันมาเนี่ยเป็นเดืกนจำปั น, น, นเป็นรอยหลายหลายอยๆยล้านปีก็เหมือนชีวิตที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเราได้เกิด ก, กันอยาเกิดกันอย่างแก nhiên đi đủ hoàn r t บ้านหลังใหญ่ๆมีเครื่องประทินโฉมมีกระพปวดกระหลหมื่นบาทมีอาหารดีๆมีภาชนะโอ้โหแล้วมันเข้ามาลอยภาชนะมันเข้ามาจากหินหอะไรนี้แนะหละินดินดานเอาดินเนี่ยไปเผาแล้วก็เคลือบเป็นยี่ห้อสีนั้นสีนี้ เอาหินเซลิมิตเนี่ยไปเผาความร้อนสูงก็ละลายมาแล้วก็ตัดเป็นบล็อกเป็นรูปนั้นรูปนี้มาคนรวยเนี่ยมันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นข้าหางบดีเนี่ยมันก็กินโกดกินใสมันห อ, อ, อเอื้อมบรรอากาศไม่ได้ครับ ท้ายสุดรถวนจะเป็นของอันนีจังถึงไหมหลวงพุทธาจารยอันนี้จังจะเป็นของไม่เที่ยงเหมือนสังขารเราเนี่ก็ไม่เที่ยงให้เธอหล่อทั้งหลายคุณสวยทั้งหลา ย, ยท้ายสุดนีมันต้องอะไรเป็นของที่มันไม่เที่ยงต้องแก่ชะลาเลยเห็น คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็พ่อแม่เรานึกว่าเมื่อเรามองเห็นขนาดนั้นเนี่ยปัจจุบันขนาดนี้เนี่ยเราได้เคยนึกถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าโอ๋น้องชีวิตคนเราเกิดมาแค่สองมืนกว่าหัึ่งเท่านั้นเองจ ะ, จะต้องแก่ชราจะต้องเล่นเ่า ของสังขารล่านี่ในในขณะที่เราใช้ชีวิตเนี่ยได้เคยเห็นใจตัวเองม้างไหมมีตาได้เคยมองตัวเองบ้างไหมได้แต่ไปมองสิ่งที่มันไกลตัวได้แต่ไปฟังคนอื่นที่ไม่ได้ฟังใจตัวเองฟังตัวเองว่าก็คือมีสติเมื่อในขณะนี้ เรามาพิจารณาว่าโอ๋น้อมาหาท่านว่าเราชีวิตของตัวเองว่ายากลำบากขึ้นรถเปยรถเปย์มันก็นีรองท้ากาหายข้างนึงโยมมาตะโกนว่าพระตกโลดพระ ก, ก็ตกลกเน่ยมหายเองก็เผา่ า, านเอาสตังเนี่ยปัดใจ ไ, ไปเรียนแต่ละคนแต่ละองค์เลย ที่เรามาหลวงพ่อกเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนผักป่าที่เขาเปียกเหมือนผักที่เขาปลูกเพื่อเอาไว้จะกินพวกเราก็เกิดมาเพื่อจะให้มันหมดเวลาไปเจยๆถูกก่เลสมันกัดกินอย่างนี้ไปถูกเาเสื้อผ้า ส, สวย ไปแสวงหาซื้อมาชั้นนอกชั้นในถุงนองร อ, องเท้าเครื่องประดินสรงในรถแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายเมื่อเราใช้ใจ่ายมากเราก็ต้องจะเกียดกระกายหามากเมื่อหาได้น้อยกว่าการใช้เนี่ยมันก็เดิดร้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วเกิดความทุกข์ ทุเพราะว่าเราเนี่ยหาเงินไม่ทันใช้ว่าไปได้แต่จริงๆเราค่อยๆนึกไปว่าเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราทานอาหารสามมือ้อนอนเตงต่างคนต่างทำต่างคนต่างช่วยกนะันทุกคนแสดงมีความน้งใจน้ำจิตน้ำใจที่มันมีความมีสติ มีการตึดผลให้สร้างคุณกับความดีและความชัวนะ่วนามประกอบการดีต่างไปต่างมามาสานที่ต่างๆไกลๆดนะ้วยอจะทั่วประเทศถ้าไมเราไม่ขัดแย้งกัน อ, อมแสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำแบบนี้เนี่ยมันค้ําจุด ตัวเองแล้วก็คําจุนโลกมาแล้วทำให้เราเมิ่เติดสติมีความรู้ตัวรดความต้องการแล้วคือกนเลสก็คือความโลภความโกรธของเราไมต ก, ก, รกอรบกวนเพราะเราไม่มีธุรกิตอิจฉาในสัญญาซึ่กกงการต่างๆความอิจฉาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่า บางคนได้แล้วไม่ได้อกคิดว่าคนนั้นเนี่ยรักมากกว่าคนนี้ชังกันมากกว่ามันวัดจากไหนมันวัดจากอารมณ์ที่เราคิดปรุงแต่ ง, งนั่นเองเม่าเราไม่คิดซึ่งกันและกันซะมันก็ไม่มีตัวอิจฉามาเกิดเลยนแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการปรุง กิเลสก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติถ้เราไม่ฝึกเหมือนเราฝึกตัวเองเนี่ยให้มีความรู้ตัวรู้ ต, ตนซะก่อนแต่การรู้เนี่ยจะต้องรู้เหตุตรู้ต้นเหตุมาจังหวะเมื่อเรารู้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ไม่สายมันก็ไม่เกิดเหตุร้ายเหต ก็เมื่อเราอยู่ร่วมกันในขนาดนี้เนี่ยที่เราไปแยกงกันไปทะเลาะเกลียดงกันการกินอยู่ก็หลับนอนนี่นก็อยู่ร่วมกันทั้งทั้งที่ไม่ใจพี่น้องขาดทางกันมาวิเลตเนี่ยมันทําให้พี่น้องขาดทางกันมาเนี่ยยังเข็นข่าอาสันทะเลาะเบาแวงกัน การยึดมั่นถือมั่นความรักความเกลียดความชังเนี่ยก็มีการ ท, ราทำร้องเบาแวงทำลายชีวิตซึ่งกันและกันแทนที่เราจะได้อยู่จนแกช่ชราต้องมาถูกฆ่าตายบ้างถูกรถชนตายาบาา้างเพราะความความรบางคนเป็นมนุษย์ที่เกิดมาสมบูมูลดีห้เหมือนเราในขนาดนี้ การกิเลสเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยงูหองเศร้าหมอ ง, ม, ม, องมีชีวิตหลังทดุดโศกเศร้าอาโดนเสียใจเพราะความไม่มีเพราะความอยากได้การคิดปรุงแต่งมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยงูมหมองโดยที่ไม่รู้ตัวคนเราก็มีความรัก มันคู่กับความชั่งความโกรธความเกลียดนั่นเองเมื่อเราแยกรักไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้ เ, เราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีความสุขรู้ผิดถูกชัว่วดีได้เหมือนในขณะนี้ที่เราฝึกตัวเราเองพยายามมองและก็เข้าใจตัวเองว่าวิถีชีวิตแต่ละคนนั้นมีความชอบไม่เหมือนกัน เรียกว่าพรสวรรคิ์ในสมัไนี้ที่เขาเรียกว่ามีพรสวัสดิ์ไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างบ้านเรือก็ลากหนุยก็มีบางคนขายผักบุ่งผักกระเจดผักกาหนาเนี่ยยอดไม้ใบหญ้าเนี่ยก็รวยแต่เขารู้จักจเก็บจัดกินจาดใช้นี่ทําไมเขาทําอะไรเนี่ยจึงรวยเอาลเลยครับ ก็เขารู้ตัวเองเ่ยถ้าเป็นคนฉลาดมีสติมีปรรัญญาเขาเรียนรู้แล้วว่าเก็บไม่ให้เป็นมากกว่าใช้ายคนรวยเนียบไม่เป็นคนมัธยัมไปหยดกทางนั้นเลยในสมัยในปัจจุบันนี้หลวงพ่อเจอคนที่รวยๆเนี่ยแช้าเนี่ยเขาไปเหมือนนกเยี่ยงกาเลยไปแต่เช้ามืด กลับก็ตืหดื่อก้อนตืดรถเนี่ยถ้าจะเผาขาดน อ, อยา ง, นงเนี่ยเสียหายในความขยันของก็รมั่นเพียรนะเพียรพยายามพยายามทาโน่นทานี้ให้มันเกิดความทํางานเราก็มาบอกตัวเองว่านี้อะไรเนี่ยมันเป็นตัวกำหดโชคากกาชีวิตตองเรา เราก็จะไปกาวตรงนั้นว่ามันศักดิ์สิทธไปสร้างวัตถุมงคลเหมือนลูกพ่อออสเนี่ยว่ามันเป็นของศักดิ์สิข้องแล้วบูชาแล้วเป็นการรับนวยมันก็เป็นแค่ความคิดแต่เราไม่ได้มองตัวเองว่าเราทาอะไรเนี่ยเราพยายาม ติดตามตอกเด็ตุกสถานการณ์ว่ากินอนย่างไงนอนอย่างไรเนี่ยให้มันมีความสุขในชีวิตนะในชีวิตมันที่เราร้องไห้เนี่ยเป็นพราะเหตุอะไรเวลาเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเพราะว่าเป็นเหตุอะไรบางคก็โทษบ้างหัวบ้าภรรยาบ้าลูกใช้เงินเก็บมาก แตแในขณะที่เราเกิดมาในพ่อแม่เลี้ยงเราใหมา่ตั้งแต่เลเกินโตเนี่ยเราเคยให้เงินทองพ่อแม่เราบ้านหรือปาเรามีปาเกเรี่นพ่อแม่สอนให้พูดเนี่ยเราเคยได้พูดดีกับพ่อแม่บ้าหรือเปาพ่อแม่ให้อาหารทุกสิ่งทุกอย่างให้เราจเจริญเติมเติมมีกําลังเนี่ยเราเคยอาหารให้พ่อให้แม่กิน วันนึงเนี่ยหนึ่งมื้อเนี่ยน้ำสักแก้วเนี่ยได้กินมัเมห่ือปล่าจากเราเราเคยนอนที่นอนหมอนมุ้งของพ่อของแม่่อแม่จะต้องซักผ้าหางผอปูที่หลับที่นอนพักมียุงไม่ให้ไก่ไรไม่ให้ตอนเราเนี่ยได้เคยปูที่หลับที่นอนใ้พ่อแม่มั้งหรือป่าเออ รองถามที่เป็นมนุษสุดประเสริฐที่นั่งอยู่เนี่ยพ่อแม่ให้อาหารป้อนทุกอย่างบางคนถึงก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยๆ ค, ค, คายมาป้อนลูกเราได้เคยเนี่ยนำอาหารไ้ไปถึงปากพ่อแม่บ้างหรปาเราเคยเนี่ยมีพละงกำลังเนี่ยทำงานให้พ่อให้แม่บางหรือป่าดั่พ่อสั่งแมว่า อย่าทำเลยทำแล้วมันเหนื่อยละแม่ลนะพ่อนี่คือวรุคของท่านที่ท่านว่ามีจิตได้ตําเ น, นินที่ดีเนี่ยว่าคนมีกําลังมีวาจาที่สอนมาอย่างนี้ก็ดา่าพ่อดา่าแม่เตียบพ่อเตียบแม่พอพ่ อ, พอแม่เรียนน้อยหน่อยพยายามส่งลูกให้เรียนสูงสุดลูกจะได้มีวิชา ตัวมีความรู้จะได้ต่อสู้กับคนอนื่นได้กลับมาบอกบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนโงกพ่อแม่จะรู้เรื่องอะไรเรียนเรื่อกไม่ไงนี้เรื่องคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเมื่อปังโลกอย่างนี้เนี่ยมีวัตถีกรรมแหละหลูกใจวัตถีกรรมใจกรรมโลกเนี่ยไปทำลายจิตใจจิตใต้สำนึกที่คิดดีทาดีที่จะแนหนำโลก มาตั้งแต่เล็กตั้น้อยเนี่ยก็เรียกว่าปลูกฝังมันฝังเราซะแน่เราปลูกมันได้เจเริญเติบโตมันกับฝังเราฝังอะไรฝังเขี้ยวเล็บน้อยกว่าตัวเองชน า, าไปปารกให้กับพ่อแม่ก็ต้องมานั่งร้องให้กับลูกคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเรานั่งนถึงว่าลูกร้องปีมาเนี่ยได้กลับไปนอนบ้างไหม ลูกล้มเนี่ยแม่เนจเจ็บเจ็บเข้าไปในหัวใจพ่อแม่เน่ถึงก็ทะเลาะ ก, กันเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยบาดเจ็บจักนี้หึงเนี่ยพ่อแม่กำัใจจะขาดเลยแต่ทำไมเราต้องทำลายพ่อแม่เนี่ยด้วยคำพูดทำไมเราเกินเจริญเติบโาสูงใหญ่ทำยาล่ำสั่นกินได้ทุกสิ่งทุกอางที่ตัวเองชอบ แต่ทำไมไม่นึกถึงพ่อแม่ที่พ่อแม่เยเขได้ทานอะไรนได้ยังได้กินอะไรได้ยังแล้วเราจะเป็นจักประเสริฐได้ยังเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความตระการอยู่รู้คุณได้ยังไงก็มีประเทศเราประเทศเดียวที่มานั่งสอนให้กับการอยู่รู้คุณถ้าว่าเราเนี่ยเป็นชาติที่ปเกษตรแล ยี่มีพระพุทธศาสนายึงไม่ค่อยมีคนทิ้งคนแก่คนชร า, าไปดูเมือง น, นอกเมือนงนานี่พ่อแม่ไหนก็ปล่อยอยู่วันพักคนชร า, าหมดพอโตได้อายุสิบสี่ห้าสิกก็ก็ออกบ้านนะยากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็นั่งเป็นคนแก่มองกันรักแว้กรอกแวก มาเห็นวัฒนธรรมของคนไทยเกี่ความบปัทภใจคนไทยเนี่ยแต่มันก็มีข้อเสียข้อดีข้อดีคือตอนหลังมีความเห็นเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาต้องเป็นมนุษย์ที่แสวงหาด้ตัวเองแต่คนไทยนั้นพ่อแม้จะปังคับบังกองป้อนแก่เท่าไหร่อายุแค่ไหนก็เรี้ยกกันไปมีพี่มีน้องก็ ประเทศอื่นๆมากในโลกนีเ้เพราะเรามีพุทธศาสนาที่ทำให้เราเนี่ยเกิดมีจิตได้ทำนึกเรียนรู้วัฒนธรรมกันมามีพระมีเรียนนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเาเอามาสอนพวกเรืเ่องการ ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดผ่อนเปลอเหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานน้อยลงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าช้ำลบน้อยเลงก็เหมือนกับหัวใจของเราที่เคยเต้นไม่เป็นแรงหวาเดี๋ยวเนี่ยว่างช้าบ้างเดี๋ยวก็ตืดอัดใจหายใจ ที่นี่รู้สึกร่างกายเราเบาสบายโรคภัยไข้เจ็บความดองความดันก็หายเบาหวานก็รอดทั้งๆที่เราก็กินนอนตามปกตินอนกั น, นอนน้อยจะเ้ื่อนฟับนอนก็ไม่ได้นอนติดแอร์มีมุง้งมีผู้อาหารก็ไม่ได้เป็นโรงแรมห้าดาวกับเป็น อ, อาหารบ้านบ้าน บางคนบางมีความชำนานก็นำอาหารมาทำให้เราเนี่ยได้กบได้ทันเราค่อยๆนึกมองมองมองแล้วก็คิดคิดให้มันอยู่ในในปัจจุบันอย่าไปคิดในเรื่อ ง, าา ง, าา ง, ง, งของอภเจ้าภูอภายตจ้าภูเขาหมถึงภูของแปกดกรสทรลกายสาตัตว์เละาชานเป็ดก็คือเด็กน้อยนั่นเน้ เป็ดมันม่มีเสื้อผ้าปากมันเท่าลูกเข็มที่เขากินตนาการแบบเป็ดมันสูงมันเปนต้นป่าเป็ดนี่มันมีทิชชู่ง่ามันล้อปี้ทิชชู่ก็คือเด็กน้อยนั่นเองปากเข้ารูกเข็มเขาเอาเข็มแทงหัวนมหูวนมแม่หัวนมแม่มันมีรูเท่าท่อหน้าแปดเท่าเมื่อไหร่มันเล็กกว่ารูน้ำป้ายตัาใจเข็ม ยิ่ไปแล้วก็จอบลงให้ ล, เลูเล็กๆเวลาเด็กดูเด่กจะได้ไม่สัมรักไม่ออกมามากเกินไปเป็นไหมเปรตเปรตเนี่ยเขาก็กินน้ำเลือดน้ำเหลืองก็คือกินนมแม่น้ำเอ๊กินนมสัตว์ใเนเปรตเนี่ยมันก็พูดได้ที่หนาน้องปี๊ดแลถ้ายิวขึ้นมาวันนึกจะขี้ก็ขี้วันนึกจะเยี่ยวกรเยี่ยวมันไม่มีความรักาย เป็ดนี่มันเกาะกินพ่อกินแม่เหมือนเห็บลิงไหลที่มันกินไก่กินเป็ดกินวัวกินควายแล้วลพ่อแม่ไปไหนก็ต้องหอบยิ้มเกาใส่เอวใส่คอไปเป็ดมันเกอกนั่นแหละกับเป็ดมันกินพอมันหิวพ่อแม่ก็ต้องเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำใสปากมาเรายังไม่รู้อีกนะฟังในนิยายน้ำเน่าทั้งห นรกนมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละสวรรค์อยู่ที่องค์นรกมันอยู่ที่ใจนั่นเองเราได้เห็นจินตนาการว่านารกจะต้องปีนต้นมิ้วจะต้องตกกระทะทองแดงใครติดเหล้าก็จะต้องกอดเมืองน้ําร้อนแดงๆก็คนธรรนามันกินเหล้าพอทานเล่าออกไปเน มันจะหวานมันตรกนะเล่าคุยพู้งสร้างควบคุมสติไม่ได้คือเป็นคนบ้าเนี่ยในน้ําสะอาดสะอาดเรากินขันเดียวก็อื่นจะตายนี่มันกินเจ็ดแปดขวดมันกินไปทั้งคืนทั้งวันแต่ว่าไม่เห็นมันเป็นไหเลยมันควบคุมสติไม่ได้แล้วคนอยู่ใกล้มันตลกมันละคนบ้าขารสติมีใครอยู่ด้วยทั้งวันมันคือ เพราะนั้นนักปฏิบัติทา้งหลายหนึ่งมาฝึกสติสติ ค, คือความรู้ตัวแล้วก็ึเมื่อมีสติก็กรอกเกิดปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารหรวพ่อใรู้ในกองสังขารรู้ตัวเองว่าร่างกายของคนเหล่านั้นที่มันจะตกนรก บ, บอกมาก็คือความทุกข์ก็คือความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงนั่นเอง ความศิษฐ์ษลิศยาความผุ้งสร้างองแต่งเลิศคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทาให้เราในไม่รู้วันเดินปีนี่คือการลบการลบไม่มองไม่เห็นดวงจันทร์มองไม่เห็นดาวเห็เดือนมองไม่เห็นแม้แต่ตะวันการเรียนี่ยคนที่ทํางานป่านนี้ยังไม่ได้หยุดเลยทั้งปีมาเนี้ยตกลงลก ไม่ได้เห็นเตือนเห็นตะวันนะไม่รู้แกงรู้มืดหากิ น, นวันวันอย่างข้ามคืนใน่างลูกแก็แค่แลกกระดานแลกแกลท่านแต่ว่าไม่มีความสุขเัวามีลูกเอาไปกินหดตัวเองก็ไปนั่งเป็นยามบ้างเปเลยบ้างเราได้เห็นว่าสวรรค์นรก ม, มันมีจริงก็คือเมืองมนุษนี้แหละเอาละเช้าๆอย่างนี้ผกไม่รบกวนเรามาก อาจจะปวดเมื่อยกันและก็บางกานีจะได้ทายของเก่าได้สว้าปากของใหม่เข้าไปอ็มีบนครับ